มันคนที่มีความอดทนเนี่ยนะจึงมองเห็นทุกอย่างตามสภาพที่เป็นจริงเพราะาไม่ถือโอกาสล่วงเลยที่จะเจริญกุศลเขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยอธิบายได้เสมอว่าต้องทํากุศลถ้าไม่ทํากุศลแล้วเมื่อไหร่จะได้ทำํำนะยังปกติเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยนะคนผ่านทั้งหลายคนเข่าทั้งหลายเมื่อเจออุปสรรคขัดข้องเจออกุศลมิบากระบอกอู้อธิบายว่าเพราะมัวแต่อกุศลวิบากเลยไม่ได้เจริญกุศล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 นี่นะเพราะผลแข่งบุญเก่าถ้าเราไม่เจริญไว้แล้วเราจะได้ประสบอย่างนี้อีกต่อไปไหมก็ต้องรีบเจริญนี่นะขนาดผลของทานศีลยังมีความสุขขนาดนี้ถ้าผลแห่งมรรคผลนะ่ะจะดีขนาดไหนเป็นต้นก็ขวนขวายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจะด้วยเหตุผลใดอธิบายว่ามุ่งเจริญกุศลอย่างเดียว น, นะส่วนต่อไปอ่ะสัจจะบา ร, รมีนะั้นมีการพูดไม่ผิดเป็นลักษณะเนี่ยนะพูดไม่ผิดไม่พลาด มีการประกาศตามความเป็นจริง น, นะพู้ตามความเป็นจริง น, นะคนที่พูดจริงเนี่ยนะองค์ประกอบของคําศัตย์คําจริงเนี่ยมีอะไรบ้างพูดถูกการพูดถูกเวลาพูดถูกบุคคลผู้ถูกสถานที่พูดด้วยเรียกว่าโดยการละอันสมควรรู้เวลารู้ความเหมาะสมคําพูดอันนั้นแหละที่เรียกว่าเป็นคําพูดที่เป็นเอ่อเรียกว่าวาจาสุภาษิตวาจาสุภาษิตต้องมีองค์นะต้องไม่เท็จต้องไม่หยาบต้องจริงต้อง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 แต่แงว่าไม่ได้ชื่นใจอะไรนั้นตรงนี้บอกว่าชื่นใจเป็นอาการที่ปรากฏของคนที่มีคําสัตย์คําจริงแล้วก็สุดท้ายมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีโสรจะมีความสงบสงเเหน่งเป็นเหตุใกล้เนี่ยนะมีโสรจะเป็นเหตุใกล้ส่วนอธิฐานบารมีอธิฐานบารมีนั้นมีความตั้งใจในโพที่สมผานเป็นลักษณะเรียกว่ามุ่งเอาอย่างเดียวเท่านั้นนะมุ่งมุ่งอะไร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 เพื่อโพธิญาณกว่าจะได้โพธิญาณเนี่ยนะมันตั้งใจว่าต้องเพื่อโพธิญาณทำเพื่อโพธิญาณเท่านั้น น, นะมีการครอบงำสิ่งอันเป็นปฏิปัติต่อโพธิสมภารเป็นกิจอะไรที่ขวางต่อการเจริญเพื่อโพธิญาณ น, นะท่านตัดออกหมดเลยครอบงากำจัดตัดออกไปหมดเลยไม่ไ ม, ไม่ไม่ถือว่าอยู่ในสิ่งที่ท่านสนใจเนี่ยนะนะสามารถครอบงา ก, กำจัดกลิ่ไม่มีอะไรที่มาขวาง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 บอกว่าพระภิกษุรูปหนึ่งที่เป็นพระ้าหันเนี่ยนะท่านสอนให้ภิกษุรูปอื่นเจริญเมตตาบอกว่าผู้ที่จะอยู่ในป่าช้าเพิ่งเห็นส ร, รพพะสัตทั้งหลายเหมือนบุตรน้อยของตนเนี่ยนะเราถ้าคิดอย่างนี้มองเห็นผีเหมือนลูกคนที่รักของเราเนี่ยนะดีใจไหมอ้าวเขามีเมตตาเขาต้งมีเมตตาแม้กระทั่งต่อเทวดาและมนุษย์สัพพสัตว์ทั้งหลายเหมือนบุตรสุดที่รักคนเดียวเห็นเขาเหมือนกับแก้วตาดวงใจของเราอนะ่ย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 อยากให้คนอื่นได้รับประโยชน์พูดมากอยากให้เขาได้จริ ง, รงๆกลายเป็นบ่นไปเลยครับ น, นี้เขาอยากได้เพิ่มไหมไม่แน่เพราะนั้นคำว่ามีเมตตาเนี่ยนะเห็นบุคคลที่น่าพอใจเนี่ยนะอยางสมมุติว่าอย่างเราจะช่วยคนที่เราพอใจเนี่ยจะต้องรู้กาละรู้เวลารู้องค์ประกอบอย่าลืมว่าบารมีทุกข้อต้องมีปัญญาประกอบเสมอมีปัญญาประกอบกับทุกข้อเนี่ยนะบอกที่คุณมีเมตตาเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้ามีปัญญาด้วยนะดีที่สุดถ้ามีเมตตาแตขาดปัญญา เดือร้อนนะเนี่ยนะบางคนเนี่บอกว่าไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยนะไปมีเมตตาต่อ บ, บางคนก็เลยไปเมตตาก็เลยถูกหลอกเลยก็่างนั้นเนี่ยเพราะเขามีเมตตาแทา้ๆก็เลยถูกโกงว่างั้นเพราะเมตตาจริงๆอ่ะ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 มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรัตว์ทั้งหลายเป็นญาติของเราหมดก็เลยเปิดบ้านเปิดเอาแก้วแหวนเงินทองมาวางกองไล้ทั่วไปหมดเลยนะอา้าวมีเมตตาไงใครอยากได้ก็เอาไปใช้อย่างงี้ยนะศึกษาให้ดีนะไม่ใช่ว่าเมตตาคือความโง่เขลานะที่บายไปอธิบายมากลายเป็นความโง่เขลาพระก็โง่เขลาเมื่ อ, อไหร่บอกว่าถ้าผลของเมตตาที่มีปัญญาประกอบเนี่ยนะจะรับประโยชน์และความสุขตลอดไปและยั่งยืนมีความสุข อย่างยืดยาวและยั่งยืนแต่คนที่เมตตาที่ไม่มีปัญญาประกอบไม่ยั่งยืนก็าบอกเพราะเมตตาจนบางคนเขาบอกเมตตาเกินประมาณจะก่อความราคาญไม่สิ้นสุดจริงๆอันนั้นไม่ใช่เมตตาอันนั้นคือความโง่เขลาเกินประมาณเนี่ยนะก็ราคาญตลอดไปว่างั้นถ้าให้ถูกเป็นยังจริงๆแล้วเมตตาจะไม่เคยสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ใดมีแต่ว่าเมตตาทำคำจุนโลกเนี่ยนะ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 ความเครียดความเดือดร้อนความห ง, งุดหงิดความรำคาญมามาใส่ใจเลยนะไม่เก็บความลำบากใจมาคิดเลยด้วยซ้าไปแล้วก็มีกรรมสกตาเป็นเหตุใกล้มีการพิจารณาอยู่เสมอว่าสาต์ทั้งหลายเขาก็มาด้วยกรรมของเขาสมมติถ้าคนอื่นเขาทำเลวเนี่ยนะเราต้องไปรับผลบาปแทนเขาไหม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 แล้วก็เป็นขี้กลากเกือบทั้งตัวด้วยเ น, นี่ยนะคันก็ยิงกระยิงกรยิงกรยิงแล้วก็เป็นโรคจิตมีปัญหาตลอดให้ยามันก็ไม่ทาให้อนะไรมันก็มันคันแล้วมันก็ร้องโอดโอยโครนครางแล้วมันก็เดือดร้อนเนี่ยนะคนหวังดีก็มียาก็มีแต่ช่วยอะไรไม่ได้ก็นั่นแหละบอกอ่าสัตว์นี่มีกรรมเป็นของของตนจริงๆเคยเห็นสุนัขขี้เรือนไหมเคยนั่นแหละวัดมีเยอะมากม า, กมายใช่ไหมพวกสุนัขขี้เรือนเนะี่ยถามมันทำไงอ่ย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 กุศลหรืออกุศลก็เสวยผลของกรรมตามไป ก, ก็รับผิดชอบตัวเองไปทุกคนจริงๆในสังสารวัตเนี่ยนะมันรับผิดชอบตัวเองโดยโดยจริงๆแต่คําพูดนี้ไม่ได้ปฏิเสธกาลยานมิตรและไม่ได้ตําหนิป่าประมิตรนะก็คือแยกให้ว่าทุกคนเนี่ยนะก็กรรมของตัวนี่แหละที่ไปเลือกครบป่าประมิตรแต่ก็บุญของตัวนั่นแหละที่ไปเลือกครบกาลยานมิตรเป็นต้นเพัน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 ก็เลยกลายเป็นตัวเองเนี่ยเดือดร้อนนั้นคนที่มีกรรมสกตาพิจารณาสัตว์มีกรรมเป็นของของตนเนี่ยนะะเขาจะมีความรู้จังหวะรู้เวลารู้ความเหมาะสมเนี่ยนะช่วยในเวลาที่สมควรจะช่วยเพันธพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างพระองค์ความที่พระองค์บำเพ็ญบารมีทั้งสิมาจนเต็มเนี่ยพระองค์จึงรู้พระพุทธเจ้าจึงเป็นกาลวาทีบุคคลเนี่ยนะก็เรียกว่าพระองค์นี่รู้สัพปริสธรรมเจ็ดใช่ไหมก็เรียกว่า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 อันอุเบกขาที่ที่ถูกต้องนะั้นเป็นอุเบกขาที่รู้เหตุรู้ผล น, นะรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ชุมชนเนี่ยนะด้วยปัญญาทั้งนั้นเลยอนนันชีวิตของผู้ที่ดํารงอยู่ด้วยอุเบกขาในที่นี้คือดํารงอยู่ด้วยปัญญาอย่าลืมว่าคนพิการทางปัญญาก็เฉยเหมือนกันนะคนที่พิการทางปัญญาก็เฉยแต่เฉยแบบนั้นไม่เป็นบารมี น, น, นะเฉยแบบนั้นไม่เป็นบารมีเฉยที่เป็นบารมีก็คือเฉอยด้วย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 ว่าคนโง่เขมีเรื่องในเรื่องหนึ่งเขาหมู่บ้านของคนโง่โง่ถึงขนาดที่เรียกว่ า, มาแมลงวันมาตอมที่ศรีรษะใช่ไหมเลยเอามีดฆ่ า, มาแมลงวันผ่าหน้าผากเลยนะผ่าหน้าผากพ่อเลยนะจะฆ่ า, มาแมลงวันเลยนะ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 ไม่ไม่เต็มอกเต็มใจในการเจริญกุศลเมื่อไหร่ขนาดนั้นใจไม่มีกําลังเลยดูว่าขาดศรัท ธ, ธาเมื่อไหร่ก็ปลอกกระเบีย ع, <c oughs> เห็นพระไตดปิอกก็เปิดไม่ได้นะ <c oughs> โตโตเนี่ยนะนะเนี่ยนะครับมันหมดแรงแล้วไม่มีแรงที่จะเปิดคัมภีร์แล้วว่างั้นเถอะมันก็ขาดศรัท ธ, ธาก็ไม่มีแรงขาดความเพียรก็ไม่มีแรงขาดสติก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงท้อไปหมดฟุ้งซ่านนี่ก็เครียกว่าขาดกําลังใจแล้วก็ทั้งโง่ด้วยก็ไปกันใหญ่เลยกระนี้ เพ่ก็ต้องอย่างไงก็ได้นะให้มงคล38กันละกันตอนนี้เราได้รู้จักพระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นมงคลเหมือนนแะตผู้ที่เป็นมงคลเพราะว่าพุทธเจ้าคือบุคคลที่สร้างประโยชน์และความสุขให้แก่สรพรพสัตว์ทั้งหลายถ้าเรารู้จักลักณาที่จตุกะลักษณะรัศจุปฐานประธฐานแห่งบารมีที่เป็นปุพพัจริยาคุณคุณธรรมที่พระองค์ได้เจริญตลอดระยะเวลาสีอสงไขย แสนกลับด้วยความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากแลกด้วยร่างกายเลือดเนื้อและชีวิตทนทุกข์ทรมานตลอดกลับเป็นอเนกก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเราก็จะมอบมอบความไว้วางใจให้แก่พระองค์ทุกประการว่าพระองค์ช่วยเราได้เขาเรียกว่าโลกก น, นายกพระผู้นาโลกเนี่ยนโลกออกจากไหนพระองค์นาออกจากอบายทุคติวินิบาตนารกนาออกจากสังสารทุกนาออกจาก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 ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีศรัระาเหนือข้าพเจ้าข อ, ขอให้ได้เป็นทาสของพระพุทธเจ้าจริงๆกันทุกคนสําหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ขออนุมโมทนาด้วย